เจรานพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทมบุญมารักษาสิงมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมที่เป็นคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะทาให้ผู้ได้ยินได้ฟังธรรมมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมสว่างสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการ เกิดแก่เจ็บตายที่พวกเรายังตินอยู่กันในตอนนี้ถ้าพวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะธรรมนี้เป็นความรู้เฉพาะของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นนอกเหนือ ไปจากบุคคลทั้งสองท่านดีแล้วจะ่ไม่มีใครรู้จักทางสู่พระนิพพานทางสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเวลาที่เราได้มาเกิดแล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคันมหาศาล เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งรครั้งเพราะการถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งอยครั้งก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้นอกจากจะไม่ได้หลุดพ้นแล้วยังกลับสร้างเพิ่มความทุกข์ให้ในใจของเรามีมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อเรามีเงินมากเราก็ต้องทุกข์กังวลกับการ รักษาเงินทองและเวลาที่เราตายไปเราก็ต้องทุกข์กับการพัดพากจากเงินทองที่เราได้มาการได้เงินทองการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งจึงสู้การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ละจะทำให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไม่ดี เพราะว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาแก่ก็ไม่มีใครอยากจะแก่กันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาตายก็ไม่มีใครอยากจะตายกันแต่จะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องแก่เจ็บตายกันไปทุกคน อันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ถ้าเรามาศึกษาเรามาได้ยินฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่แก่สิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายคือร่างกายนี้ความจริงแล้วเขาไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ที่ม า, าใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการ ตามความอยากของเราร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนเรานี่เป็นเหมือนคนขับรถยนต์คนขับรถกับรถยนต์นี่เป็นคนละส่วนกันเวลารถยนต์เสียรถยนต์เป็นอะไรไปคนขับไม่ได้เสียไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์แต่เราไม่รู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลย หวั่นไหวกันเดือดร้อนกันที่หวั่นไหวที่เดือดร้อนก็ไม่ใช่เพราะว่าร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายแต่ที่หวั่นไหวเพราะเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ทำไม่ได้ความจริงเราเองไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงที่เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา เราจึงไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายความไม่อยากนี่แหละความอยากไม่ให้รห่างกายเป็นอะไรนี่แหละที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราไม่ใช่เป็นเพราะความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วเราไม่มีความอยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่งางกายแก่เจ็บตายเราจะมองร่างกายของเราเนี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราเดือดร้อนไหมเราทุกข์ไหมเรารู้สึกเฉยเฉยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอเป็นร่างกายของคนที่เรารู้จัก คนที่เรารักเช่นร่างกายของพ่อแม่ของสามีของภรรยาของลูกเราหรือของเราเองพอเป็นอะไรขึ้นมาเราทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกเพราเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองนี่คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลงทุกข์ไปกับ ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ยังจะหลงกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุของการที่มาเกิดนี้เกิดจากอะไรถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้กับมามีร่างกายอันใหม่ได้สาเหตุที่พวกเรายังต้องมีร่างกายกันเพราะอะไร เพราะเรายัางมีความอยากดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ่มรสสัมผัสกับอะไรต่างๆเพราะนี่เป็นความสุขของพวกเราเวลาที่พวกเราได้ไปเที่ยวกันได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอะไรกันเราจะมีความสุขกันเวลาที่เราอยู่บ้านเราไม่ได้ออกไปเที่ยวเราจะมีความหงุดหงิดมีความลำคาญใจ มีความไม่สบายใจกันเพราะความอยากออกไปเที่ยวอยากไปเสพไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากนี่แหละที่ทำให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายกันการจะมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเราก็เลยมาลอกรอรบร่างกายของพ่อแม่ที่เขาปั้นขึ้นมาพอพ่อแม่ปั้นร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็มา ครอบครองเราส่งกระแสความคิดของเรามายึดเดดกับร่างกายที่มีในท้องพ่อท้องแม่คิดว่าเป็นร่างกายของเราเป็นตัวเราแล้วพอร่างกายนี้คลอดออกมาจากท้องแม่เราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทุกคนนี้ไม่ต้องสอนเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีแต่อยากจะให้พาไปเด็กอยู่บ้านก็อยากจะให้พาไปเที่ยวกันพอดูเห็นอะไรในจอทีวีก็อยากจะไปดูของจริงขอร่างพ่อขอร้องแม่ให้พาไปเพราะใจของเด็กนั้นเหมือนกับใจของผู้ใหญ่เหมือนกับของคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้มีความอยากพามาให้เกิดอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เลยต้องกลับมาเกิดกลับมาแก่กลับมาเจ็บกลับมาตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรารู้ว่าต้นเหตุของปัญหาของพวกเราก็คือความอยากของพวกเรานี่เอง ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากร่ำอยากรวยอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขความอยากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญสุขเสื่อมจากเราไปความอยากเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราวุ่นวายใจกันไม่สบายใจกันเวลาเราไม่มีเงินเราก็อยากได้เงินกันพอเราอยากได้เงินเราก็ต้องไปดิ้นรน ไปหาเงินหาทองกันไปเหนื่อยกันไปทุกข์กันแล้วถ้าหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็ต้องไปรับโทษอีกเช่นไปรักขมโมยแทนที่จะไปทำงานแต่ขี้เกียจทำงานก็เลยไปรักขมโมยเพื่อที่จะได้เงินมาเที่ยวกันมาซื้อของที่อยากได้กัน <c oughs> พอไปขมโมยเดี๋ยวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับไปเข้าคุกเข้าตารางกันเนี่ยความอยากของพวกเรา มันจะพาให้พวกเรานี้ไปพบแต่ปัญหาไปพบแต่ทุกขความทุกขไปพบกับความวุ่นวายความเสื่อมเสียทั้งหลายแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่และเวลาร่างกายแก่ก็ทุกขเพราะเวลาแก่ก็ไม่สามารถใช้ร่างกายทําอะไรได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถใช้ร่างกายทําอะไรได้ เวลาตายก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาอะไรที่เราต้องการได้แต่เราก็ไม่เถิดกันพอร่างกายตายไปก็กลับมาเกิดใหม่กันแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกกันเหมือนเมื่อชาติก่อนๆถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนว่าให้พวกเรามาหยุดความอยากกัน นี่คือวิถีทางสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะใจของเรานี้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรแต่การที่จะทำให้ใจเรามีความสุขได้เราต้องหยุดความอยากเพราะความอยากนี้ทำให้ใจเราดิน้นทำให้ใจเราอยู่ไม่เป็นสุขกันนั่นเองถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้ใจของเราจะสงบเมื่อใจสงบแล้วจะมีความสุข ยิ่งกว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งก็สู้ความสุขที่ได้จากการหยุดความอยากไม่ได้สู้ความสุขที่ทำใจของเราให้สงบไม่ได้ดังนั้นเป้าหมายชีวิตของพวกเราจึงควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากการไปทำรายตามความอยากต่างๆ ให้เรามาหยุดความอยากกันดีกว่าเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะมีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเราจะมีความสุขมากกว่าประธานาธิบดีพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วล ว, ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวนท่านจึงอุตสาห์เสียเวลาอุทิศชีวิต ให้กับการมาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเรามาหยุดความอยากกันผู้ที่เชื่อมีศรัทธาแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเขาก็สามารถพบกับความสุขอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบได้ท่านเหล่านี้เราก็เรียกว่าพาาระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรยัย พรัตนตรัยมีสามมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะคำว่ารัตนก็แปลว่าเพชรนินจินดาของที่มีคุณค่าการที่ได้เป็นพระพุทธเจ้ากด็ดีการได้เป็นพระอริยสงสาวุกะดีนี้จะทำให้บุคคลนั้นมีคุณค่าทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นมีคุณค่ากับตนเองก็คือมีความสุขแบบ ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปใครได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกก็เหมือนกับได้พบกับเพชรอันประเสริฐเพราะว่าเราก็รู้คุณค่าของเพชรว่าเป็นอย่างไรถ้าเราได้เพชรกันนีเราสามารถเอาไปแลกซื้อข้าวของอะไรต่าง ที่เราต้องการได้เรามีความทุกข์กับอะไรขาดแคลนอะไรถ้ามีเพชรแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเพชร น, นี้ไปขายไปเปลี่ยนเป็นสินค้าเป็นข้าวของต่างๆเพื่อมาบรรเทาทุกข์ทางร่างกายของพวกเราได้เพียงแต่ว่าเพชร น, นี้ไม่สามารถมาบรรเทาทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ เวลาร่างกายแก่ก็ต้องทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องทุกข์เวลาล่างกายตายก็ต้องทุกข์เพราะว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองในโลกนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้มีแต่เพชฌของพระพุทธเจ้าเพชฌของพระอริยสงสารกเพชฌของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยนี้จะเป็น สิ่งที่มาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปได้เพราะเหตุที่ทําให้ใจของเราทุกข์ก็คือความอยากแล้วพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ได้ค้นพบว่านี่คือเหตุแล้วท่านก็ค้นพบวิธีที่จะทําให้ความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหายไปหมดพอพอเอาวิธีกําจัดความอยากต่างๆให้ มาปฏิบัติเอามาใช้กับการกำจัดความอยากความอยากก็หายไปหมดหายไปหมดใจของท่านก็สงบเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นดนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีบุตรไม่ต้องมีทิดาไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเพราะการมีอะไรนั้นเป็นการมีความทุกข์ เวลาเรามีแฟนเราทุกกับแฟนหรือเปล่าเวลาเรามีลูกเราทุกกับลูกหเปล่าเวลาเรามีอะไรเราจะต้องทุกกับสิ่งที่เรามีเพราะสิ่งที่เรามีมันไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเวลามาเราก็ดีใจกันเวลาไปเราก็เสียใจกันมีร่างกายก็เหมือนกันเวลาเกิดก็ดีใจกัน แต่พอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ร้องห่มร้องไห้กันนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรจะมีกันและการที่เราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องหยุดความอยากของเราให้ได้วิธีหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราทำอยู่สามข้อด้วยกัน้็ที่หนึ่งให้ทาบุญทาทานอย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาเงินไปทาบุญ เพื่อจะได้หยุดความอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆสองให้เรารักษาศีลอย่าไปทำบาปเพราะทำบาปแล้วจะทำให้ใจเราวุ่นวายจะทำให้เราใจเราทุกข์จะทำให้ใจเราต้องไปรับผลบาปในอบายและสามให้เรามาภาวนาคือการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบได้ เราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วถ้าพอเราทำใจให้สงบหยุดได้ชั่วคราวเวลาออกจากสักความสงบมาเราก็มาใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าการมีความอยากการทำตามความอยากต่างๆนี้จะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บ ต, ตาย พรอเรารู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะนำให้เราต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเราก็จะหยุดมันทันทีเพราะเรารู้ว่าการมาเกิดนี้มันไม่ดีเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติทำทั้งสามข้อนี้ได้คือทาบุญทำทานเวลามีเงินทองอยากจะไปซื้อของตามความอยากต่างๆเอาไปทาบุญเสีย เวลาจะเอาเงินไปเที่ยวตามความอยากให้เอาไปทำบุญอย่าใช้เงินทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากที่จะใช้เงินมันจะหายไปแล้วจะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาเงินใช้เงินเราจะได้มีเวลาไปรักษาศีลไปภาวนากันไปบวชกันถ้าเราไปบวชไปภาวนาไปรักษาศีลได้เราก็จะสามารถ นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วพอออกจากสมาธิเราก็เอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนี้มามาใช้สอนตัวเราทุกครั้งเวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็บอกว่าอยากทำทำแล้วจะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายต่อไปทำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะทำแล้วก็จะต้องทำไปเรื่อย และเวลาที่ไม่ได้ทำก็จะต้องทุกข์ทรมานใจถ้าเราสามารถใช้ปัญญาได้เราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆไปให้หมดจากใจของเราได้พอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะนิ่งสงบอิ่มสบายมีความสุขนี่คือธรรมชาติของใจใจของเราจะอิ่มจะสุขเพราะไม่มีความอยากใจของเราจะหิว จะโหยเพราะมีความอยากพอมีความอยากนี่เราอยู่เฉยๆไม่ได้พออยากจะกินอะไรนี้ต้องรีบไปหามากินเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินมากกว่าร่างกายต้องการแต่ถ้าใจยังอยากกินอยู่มันก็ยังหิวอยู่ร่างกายบอกพอแล้วจะ ก, กลายเป็นตุ่มแล้วแต่ใจก็บอกยังอยากกินอยู่ยังหิวอยู่อันนี้เป็นเพราะความหิวของใจนี้เกิดจากความอยาก วิธีที่จะทําให้ใจไม่หิวทําให้ใจอิ่มก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากแล้วรับรองได้ว่าใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะพอดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าอดข้าวได้ต้องสี่สิบเก้าวันร่นางกายนี้มีแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ใจของท่านกลับไม่รู้สึกหิวโหวยแต่อย่างใดเพราะท่านสามารถทําใจให้สงบได้หยุดความอยากได้ ถ้าเราอยากจะมีความอิ่มมีความสุขมีความพอไม่ต้องมาดินน้นรนหาสิ่งต่างๆไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ขอให้เรามาหยุดความอยากกันด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเถิดและรับรองว่าเราจะได้พบกับความอิ่มความพอ เราจะได้พบกับการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ไปรอพวกเราอยู่ที่พระนิพพานกันนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผลนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ผลนี้ขึ้นอยู่กับเหตุเหตุก็คือการทำบุญการรักษาศีลการภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าถ้ามีการทำบุญรักษาศีลภาวนาก็มีการบรรลุธรรมได้มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาก็จะมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันขอให้พวกเราเชื่อความจริงอันนี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติเถิดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระภิกษุเพียงผู้เดียวเป็นฆราวาสก็หลุดพ้นได้เป็นหญิงก็หลุดพ้นได้เป็นชายก็หลุดพ้นได้ เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็หลุดพ้นได้ถ้าสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้สามารถทาทานรักษาศีลภาวนาได้สามารถหลุดพ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าปิดกั้นตัวเราเองด้วยการอ้างว่าเราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเพศไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่บรรลุ ก, กัน แต่สิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้พวกเราไม่บรรลุไม่หลุดพ้นกันก็คือการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือไม่ยอมทำบุญทำทานไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมภาวนากันอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกเราสามารถทำทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้รับรองได้ว่าจะต้องหลุดพ้นได้อย่างแน่นอน เพราะการหลุดพ้นนี้มันอยู่ที่เหตุคือการกระทําอยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวานานี้เท่านั้นจึงขอให้พวกเรามีความมั่นใจมีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลําดับต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนี้เราจะไม่ทุกข์เลยถ้าเรา สามารถควบคุมความอยากหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายใน ใ, นใจของเราได้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้